hmm <sweak>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 มันก็มีข้อเสียมันกันนะพอเราออกไปเจอกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเจอลูกลดกลิกก่นเสียงที่ร้อนแรงยุยยุกนะก็อาจจะพลาดท่าเสียชีได้ง่า ย, ายจิตใจกระเพื่อมปั่นป่วนนะกิเลส ก, ก็เข้ามาเล่นงานได้ง่ายนะมารร้ายนะก็สามารถจะครองใจเราซึ่งก็ทำให้เราทุกข์นะ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 จะเรียกว่าหมู่มาเนี่ยหรือกิเลสคอยในยจ้องเล่นงานนะจ้องจับนะจิตใจของเรานะเอามาเป็นธาตุก็ไม่ถึงกับฆ่าให้ตายเหมือนกับคนภายนอกที่จับปลาในวัดได้หรือว่าจับหมูป่ากวางที่ออกจากวัดไปได้มาไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ทำให้ใหกิเลสสมารหรื อ, อ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 สิ่งที่มากระทบกับเราที่นี่เนี่ยมันเป็นแบบฝึกหัดนะเจอแล้วนี่อย่าไปอย่าไปหงุดหงิดลังคาเนี่ถือว่ามันเป็นบทเรียนมันเป็นการบ้านเพื่อที่เราจะได้มีความว่องไวมีทักษะมีวิชาแก่กล้ามากขึ้นเมื่อจะต้องออกไปข้างนอกโดยเฉพาะคนที่จะสืหาราเพกไปเนี่ยนะก็ต้องออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ย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 มารู้ทางว่าคนนี้จะมาอย่างไรจนกระทั่งเกิดความฉลาดไม่ว่าจะเป็นเก่งกวางพวกนี้เนี่ยมันไม่ยอมให้คนเข้าใกล้นะมันเดยรู้กลิ่นของคนว่าคนเนี่ยมีกลิ่นอย่างไงพอมีกลิ่นนี้นี่มันก็ต้องหนีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่สูญพันธ์นะอันนี้ก็เอามาเอา ม, ามองได้นะเอามาเทียบได้กับประสบการชีวยของเรานะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่เจอ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 ไม่เคยเจอโรคหวัดเลยนะพอคนยุโรป อ, อพยพเรียกว่าไม่ใช่ อ, อพยพนะสํารวจดินแดนแล้วก็มาเจอมาพบปะกับคนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้เนี่ย mm hmm. ก็เอาเชื้อหวัดเนี่ยมาให้กับคนเหล่านี้คนเหล่านี้ไม่เคยเจอเชื้อหวัดเลยเลยไม่มีภูมิคุ้มกันพมมีภูมิคุ้มกันก็เป็นไงตายากาันลยใน้าเลยคนยุโรปเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเนี่ย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 อยู่ที่ว่าเราจะใช้มันไปนหรือเปล่าส่วนใหญ่เราไม่รู้จักใช้มันนะปล่อยให้มันมาเล่นงานเรานะเจอความเศร้ากี่ครัง้งกี่ครั้งก็ยังเศร้าเจอความหงุดหงิดกี่ครัง้งกี่ครั้งก็ยังหงุดหงิดแล้วก็หงุดหงิดเร็วกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมเจอความโกรธกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งก็ยังโกรธเหมือนเดิมแลวโกรธง่ายกว่าเดิมด้วยนะ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 ก็ยังหงุดหงิดก็ยังโมโหก็ยังขุ่นเคืองใจเวลาเจออารมณ์เดิมๆเวลาเจอรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเดิมๆที่มันขัดเคืองใจเช่นไฟแดงเจอไฟแดงทีแรกก็ยังหงุดหงิดเหมือนเดิมนะเจอคําด่าว่าบางทีก็เป็นคําเดิมๆก็ยังโม โ, มโหเหมือนเดิมนะอันนี้คือสิ่งภายนอกขดัดยกันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าวความ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 เพื่อทำให้เราฉลาดกว่าเดิมเกิดปัญญามากขึ้นจนสามารถจะอิสฉาจากความทุกข์ได้เอาคํานี้พูดกันเท่านี้นะกราบพะ